วันเป็นวันทีย่ 20. สิสิงหาคมพุทธศักราช2555ันห้อบวันวันอาทิตย์พระจากนุกดาหารถิน่นภูเจาะก้อณะสงกลุ่มน้องสูงคำาชอีนิคมคำส้อย ก็มีทางอำเภอรกระนวนวัดของหลวงปู่แนนํำขามทำยาวขนแก่นแล้วกห็หลวงพ่อขาดวัดบ้านใหม่เมืองพานอำเภอบ้านผือเมื่อวานทั้งพระเต็มอาจสงเหลืออาจสง แล้วก็พี่น้องประชาชนก็มากเมื่อวานนะหลวงพ่อก็ได้เทศตัวแสดงธรรมพูดเป็นภาษาอีสานเมื่อวานนะพูดยาวพอสมควรอยู่แต่สำหรับวัดของเราหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่เ น, นนะ่เดือนที่สองคิดว่าคงจะให้ไปคาวะครูบาอาจารย์ ในท้องถิ่นของเราเพื่อเป็นการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ว่าทมวัดการวะครูบาอาจารย์นั้นทำอย่างไรคิดว่าทุกปีพวกเราก็ได้ทำแต่สำหรับหลวงพ่อเองของพ่อจะไปครูบาอาจารย์ที่รู้จักที่เป็นพระผู้ใหญ่ แต่สำหรับวัดของเราก็ที่อ่อนพรรษาน้อยกว่าพรรษาหลวงพ่อที่เป็นอุปชาอาจารย์ควรจะไปกราบครวะท่านนะแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จะไปกราบครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่คราวที่แล้วก็ไปกราบหลวงปู่จามหลวงปู่แบรนทางไกลซะก่อนต่อมากขาคงจะเป็นวัดโพธิสมพรอุดร แล้วก็หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงปู่เพ่งหลวงปู่บาอาจารย์ปู่ทุยในทิตนี้กับครวะตามประเพณีผู้มีอายุพรรษามากกว่าแต่หลวงตามหาบัวท่านเคยทำไมมสมัยก่อนหลวงพ่อเข้าไปก็มีพระท่านจัดเครื่องครวะถวายหลวงตา พอต่อมาพระท่านออกไปลวงพ่อเองเป็นผู้จัดถวายเครื่องคระวะหลวงตาก็มีผ้าอาไม้สีฟันทูปเทียนแล้วก็ของใช้บ้างใส่ในถุงมัดเป็นชุดๆเราก็กะเอาไว้แต่ตัวมากท่านก็ไปครั้งหนึ่งคือท่านจะไปวัดหลวงปู่ขาวแต่ท่านก็ไม่ได้คาวะ ท่านมาเด็กมามหาเทหรืออาจารย์เยท่านไปถึงนี่ท่านก็กราบปกกระกอบจิตแล้วท่านก็ ย, ยกเครื่องคารวะเนี่ยก็เป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันเพราะว่าท่านเป็นดูงตาเป็นพระผู้ใหญ่ก็ยกขึ้นมาก็ถวายเครื่องสักกาะระคล้ายๆบเป็นเครื่องมุดน้ําดําหัวลักษณะอย่างนั้นอ่ะท่านไม่ได้พาญาติโยมไปถึงญาติโยมจะไปด้วยรถ คันสองคันติดตามแต่ไปถึงแล้วกัหลวงตาท่านก็ไม่ได้พาคาราวะท่านมีตรยกเกลื่องคาราวะถวายหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วก็กลาบจากกาสนทนาปารบต่อไปในเมื่อไปถึงหลวงปู่ฟั่นท่านก็ยกของคาราวะถวายหลวงปู่ฟั้นต่อมากถวายหลวงปู่เทศยกเกลื่องคาราวะ แต่วายหลวงปู่เทศแต่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นดูๆเราไม่กี่องค์นะประมาณ5ห้าแล้วสี่แล้วองค์ห้าแล้ว6กองแต่หลวงพ่อก็เผื่อเอาไว้เหมือนกันแต่เผื่อท่านจะไปที่ไหนหลวงพ่อก็ได้เตรียมเผื่อๆเอาไว้แต่ละปีเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าหลวงพ่อจาไม่ผิดนะก็มีหลวงปู่คำดีบ้างบางทีก็หลวงปู่ชอบ เวลาจะไปหน้าฝนเนี่ยเราต้องต้องถามท่นนะานอ่ะโอกาสพ่อแม่กุญญาณจะเอาเครื่องคารวะไปด้วยไหมครับผมเออเอาออไปเราก็ถวายท่านจเจ้ากี่ชุดครับผมที่ก็ชุดเดียวหรือมากชุดเดียวนนะท่าน่ะท่านไปแต่ละวัดนะแต่ไปท่านก็ไม่ได้ทําวัดอย่างที่ว่านะไม่ได้กล่าบนโมนมหาเทเรคืออาจารย์เยเพียงไปถึงกราบเสร็จแล้วก็ท่านก็เอาของคารวะถวายเลยจากนั้นท่านก็กราบ จากนั้นก็มีอะไรกับสนทนาปารากันจากนั้นท่านก็กลับอันนี้คือเป็นประเพณีถึงหลวงตาท่านจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็ม่เลงมองข้ามครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าท่านเขไปเคารพครูบาอาจารย์อันนี้หลวงพ่อเองเป็นผู้จัดของคารวะถวายองค์หลวงตาสมัยอยู่วัดป่าบ้านตา ถ้าหลวงพ่ออยู่นะถ้าหลวงพ่อมาอยู่กระองค์อื่นคงจะจัดอย่างที่ว่าคือพระกรรมฐานโดยมากจะถือผู้มีอายุผู้สูงกว่าผู้มีอายุมากกว่าให้ความเคารพไัยยวุฒิคุณวุฒิแต่ทางฝ่ายปริยัตโดยมากดูดูท่านอยู่ด้วยกันท่านก็ไม่ได้อันนั้นคล้ายๆกับพ่อแม่ พี่น้องอยู่ด้วยกันแต่พระกรรมฐ า, านเนี่ยรู้สึกว่าเคารพกันอย่างลึกซึ้งมากกว่าหลวงพ่อมาสังเกตดูนะแต่ก็ไม่ได้ถามหรอกแต่สังเกตดูคือการเคารพของฝ่ายปริยัตหรือฝ่ายบ้านเมืองครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยใครๆว่าต่างคนต่างเรียนตำราศึกษามาทางตำราปัตรัยปิฎก แล้วเพอร์เพอลูกศิษย์อาจจะเก่งกว่าจำได้แม่นกว่าเพราะว่าบางคนก็อย่างว่าอย่างบาลีอย่างนี้แปลยังไงอัดยังไงแปลยังไงบางองค์เก่งกว่าอาจารย์เพราะความจำท่านแม่นกว่าบางทีมหาป ร, ริญสูงกว่าอาจารย์มหาป ร, ริญญสาม ทูมีอายุพันสามน้อยกว่าก็มีมหาป ร, ริยนหกหรือมหาป ร, ริยนเก้าการเข้ามาหากันก็รู้สึกว่าคล้ายๆอวดศักดิ์ศรีอยู่ยนในในอันนี้ก็คือฝ่ายปริยัตให้คขาว่าเรียนรู้ในตำรับตำราออกมาเพราะนั้นการเคารพกราบไหว้คารวะไม่ซึ้ง เหมือนพระกรรมฐานแต่พระกรรมฐานในี่เคารพครูบ า, าอาจารย์เคารพอย่างลึกซึ้งจริงๆเพราะเหตุไรเพราะท่านเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนะี่ยไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าองค์หนึ่งพูดว่าสมาธิวิธีเดินสมถะเนี่ยต้องเดินอย่างนี้แต่ลัวิธีการเดินสมถะแต่ทำจิตใจให้สงบก็มี แนวทางของแต่ละองค์เหมือนกันแตแค่คล้ายๆกันแต่ก็มีความภาคเพียนต่างกันเพราะฉะนั้นเล่เหลี่ยมหรือชั้นเชิงหรือแนวปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันพอเข้าไปแล้วก็นะี่แหละถ้าว่ามีอายุพรรษามากกว่าก็ต้องแสดงความเคารพอย่างรึกซึ้งยิ่งเป็นพระ เทระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากกว่าก็จะต้องแสดงความเคารพเว้นเสียแต่ทาตนให้ไม่เป็นที่เคารพอันนั้นอีกส่วนหนึ่งาแสดงตนไม่เป็นที่เคารพเกิดจะพูดอะไรก็พูดจะทําอะไรก็ทำเป็นที่ตําหนิไม่อยู่ในหลักพระธรรมพี่นายหรือว่าย่อหย่อนในหลักพระธรรมพี่นายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือขาดขาดความเคารพเกิาอย่างถึงข้างในด้วย ขนาดข้างนอกแต่ยังหาความเคร่งคัดไม่ได้หาความอยู่ในหลักระเบียบวินัยไม่ได้แต่ส่วนกิตใจนั้นจะมีให้ริอุตปาถึงอัตถึงธรรมนั้นจะเป็นยังไงอันนี้คล้ายกว่าเป็นการขาดความเคารพโดยเบื้อพ่อขาดเคารพเลยก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ถ้าว่าเข้าไปใกล้ก็เดียวก็ขาดความไม่เคารพก็ยิ่ง เป็นที่ตำหนิผู้ที่ได้พบเห็นก็จะอยู่ห่างๆอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นในภาคปฏิบัติโดยมากคณะสงฆ์หรือคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งยิ่งจสนทนาปลานบกันเรื่องสมาธิหรือว่าวิธีการทาสมาธิ หรือวิธีแนวที่ว่าท่านได้เทศอบรมในเรื่องสมาธิก็พอจะพอจะรู้ได้ว่าท่านสมาธิของท่านหรือปัญญาของท่านเดินลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพักกรรมฐานจากนั้นท่านก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยมากเคารพอย่างลึกซึ้งไม่มี ต่อหน้ารับหลังทามีธรรมอยู่ในใจนะอ น, นี้แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านจูงด้วยกันสมัยก่อนแต่ว่าการไปมาหาสู่กันก็ลําบากบางทีเดินไปอย่างหลวงพ่ออยู่ที่ภูเจาะสมัยเป็นเดนเดินมากะระวะหลวงปู่กงแก้วหลวงปู่จามหลวงปูค่คาบางทีเดินเป็นวันก่อนที่จะมาถึงจะทัทนที่มาแล้วก็กลับ วันนั้นก็ไม่ได้ตรงนอนพักข้างให้หายเหนื่อยให้ก่อนวันสองวันจากนั้นก็ค่อยเดินทางกลับมาหาที่พักของตนเองก่อนที่จะเข้าพรรษากันไปกราบองค์นั้นไปกราบองค์นี้ใ น, นอยู่ในละแวกนั้นสองสามวาัดจากนั้นก็หกพระน้อยพระนมตั้งหลายหลวงปู่ล่าอยู่ที่นั่นก็หกพระอยู่ในละแวกนั้นที่มีอายุ น, น้อยกว่าเขาก็มากราบ ครูบายอาจารย์จากนั้นก็ศึกษาปรารัเรื่องหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็เอาต่างคนต่างแยกย้ายกันจํนาพรรษาอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ารงพงไพแต่ทุกวันนี้มันสะดวกรถราบข้ามจังหวัดมาก็ได้อย่างที่มุกดาหารเนี่ยมาที่วัดเราเพราะเขาก็ฉันยังหันตอนเช้านะถามเมื่อวานเนี่ย ฉันยังหันเสร็จแต่เช้าพอสว่างเสร็จแล้วก็ฉันยังหันแล้วก็ออกมาจากที่โน่นหกโมงมาถึงที่นี่ก็ประมาณสัก1ิบสิบเโมงเกือบเที่ยงกลุ่มที่มาคารวะเมื่อวานเนี่ยจากนี้ไปมุกดาหารก่อ0สกว่ากิโลเหมือนกันนะไกลนะแล้วก็รวบรวมกันการรวบรวมกลุ่มก็ได้ง่ายพรามันมีสื่อโทรศัพท์โทรหากัน ใครๆบ้างจะไปแต่รปชเนี่ยก็เตรียมลูกศิษย์ลูกหาไปคงจะมาทัศนะศึกษาด้วยผู้ไม่เคยมากขอยากเห็นผู้เห็นเคยเห็นแล้วก็อยากจะมาอีกมาดูอีกเพราะนั้นจึงมีพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมามากเมื่อวานแต่ลุงพ่อเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องกฎและเบียบวินัยการอยู่ด้วยกันเมื่อวาน เน้นหนักให้พี่น้องลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายให้อยู่ในหลักธรรมวินัยเนอะอย่าสร้างปัญหาอย่าให้มีปัญหาเพราะโลกสมัยทุกวันนี้สื่อต่างต่างเหตุไหมที่ออกมาตามสื่อบางทีพระไปค้าไปขายบวชเข้ามาแล้วไปค้าขายอะไรทำไมเราจึงไม่อยู่ในศีลในธรรมขาดเหลือขาดตกอะไร ทางบ้านเมืองเขาก็ช่วยอยู่โรงพยาบาลบินทบาทชาวบ้านก็ใส่บาตรให้ฉันก็ไม่เห็นที่จะลำบากอะไรก็มีแต่ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเออถ้าาอยู่ในศีลในธรรมแล้วพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็จะเห็น เ, เทวดามองอยู่เห็นอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เทวดากับผูคือผู้ใจสูงนั่นน่ะผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยผู้ต้องการบุญต้องการกุศลต้องการศีลต้องการทำท่าวองค์ไหนปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพ่เคร่งในวินยัยเคร่งในศีลเคร่งในหลักพระธรรมวินยัยพูดออกมาเป็นอัดเป็นธรรมเขาก็รู้จากนั้นก็นี่แหละจะตุ ป, ปใจปัจจัยสี่ไม่ต้องห่วง เว้นเสีย ต, ตัวตัวเองทำอะไรก่อนนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนั้นถึงจะอยู่ในเมืองก็อดอยากคนมองไม่เห็นเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเพรา ะ, ะนั้นขอให้ลูกพระหลูกพระหลานเอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะลูกหลานทุกองนะเราอยู่กับสายหลงปู่มั่นนะอย่าให้เสียชื่อตระกูลของเรา แต่ทําอะไรออกไปนอกรูนอกทางก็ให้มองตระกูลของเราตระกูลหลวงปู่มั่นตระกูลของพระพุทธเจ้าแต่ตระกูลพระพุทธเจ้าหรือตระกูลพุทธะนี่จะห่างไปถ้ามองรูตระกูลหลวงปู่มั่นมองมันเห็นใกล้เราก็มั่นใจเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านร่วงรับรับขันไปได้พระราชทานเพลิงแล้วก็ได ประชุมเพิงไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็นได้กราบได้วาดรพบสักการะบูชาเราให้มั่นใจว่านี่กระดูกของพระหันเราเดินมาทางสายนี้ถูกแล้วเนียย เ, เสียแต่เราจะเดินแหวกแนวไปทางไหนทนเองแต่พ่อแม่กูบาอาจารย์เดินทางมาเนี่ยที่ท่านพาดำเนินนี่ยกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็น ก็คือกระดูกของพระอรหันต์พวกเราเดินตามแนวแถวสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราเดินไม่ผิดทางแน่พวกนั้นขอให้พวกเรามั่นใจประการเดินทางนั้นการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือสายพระอรหันต์ท่านปฏิบัติรู้พวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะสนิทใจได้น่าจะไว้วางใจได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ย พาเดินพาดำเนินมาเนี่ยนะไม่ผิดทางแน่พวกเราน่าจะมั่นใจเพราะพวกเราได้เห็นเป็นรูปประธรรมก็เห็นส่วนนามธรรมนั้นใจของท่านเป็นยังไงเราก็จะได้ฟังแต่ธรรมะของท่านแต่วิธีการปฏิบัติของท่านนั้นเรื่องกระดูกของท่านนั้นเราเห็นเป็นรูปประธรมรมนั้ะขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกองคนะให้มั่นใจศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนนะนี่แหละเราเดินมาถูกทาง ถูกตามสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเดนินพวกเราคิดดูสิทางพวกเราเดินไปอย่างนี้มันผิดตรงไหนอ่ะเราก็พอจะมีเหตุมีผลอยู่แล้วเราก็พอมีสติปัญญาอยู่แล้วมันผิดที่ตรงไหนมันเป็นยังไงถ้าเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอยู่รัสถานที่ใดมีแต่สุขด้วยกันทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระทั้งเนรครูบาอาจารย์ มีแต่ความพร้อมเพียงสมกคีกันถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วกันนั่นแหละเือร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งนะขอให้พวกเราทุกโขงหน้าหลวงพ่อได้เตือนอย่างนั้นเมื่อวานเหนะ้ตอนนี้ไปรับพรนันหมดธนาให้พร